กาในท่านสระชชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องปุปประสูตรเป็นหลักธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงต่อเนื่องกันสามสี่สูตรก็ประรบแนวเดียวกันแต่ว่าแสดงเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนกันและรับสั่งล้วว่า ในขณะที่ทรงเป็นพระบพธิสัตว์อย่างไม่ได้สัสรูนั้นพระองค์ได้เกิดศึกษาค้นคว้าถึงเรื่องสามเรื่องด้วยกันทรงใช้คำว ล, ลีว่าอัศทะคือสิ่งที่ก่อให้เกิดความชื่นชมยินดแีแสดงว่าโลกนี้ต้องมีสิ่งที่ก่อให้เกิดความชื่นชมยินดี เพราะถ้าไม่มีสิ่งที่คอยเกิดความชืดนจมอย่างดีแล้วสัตว์โลกก็คงไม่สยบติดเพลิดเพลินชื่นจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแต่ปัญหาสำคัญของมันคืออะไรในขณะเดียวกันก็ทรงศึกษาสิ่งที่เรียกอาทินวะคือสิ่งที่เป็นโทษแ็แสดงว่าใโลกนี้ต้องมีสิ่งเหล่า น, นี้อยู่ แต่โลกนี้ไม่มีสิ่งที่เป็นโทษสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เกิดเปื่อนนายกลายกับหนักในโลกก็มีคนในกลุ่มหนึ่งสยบติดจริงแต่มีคนดีกลุ่มหนึ่งเขาก็เกิดเปื่อน่ายกลายกับหนักในโลกได้ประการต่อไปก็ศึกษาถึงนิสรณะคือทางออกทางออกไปจากโทษจากความวุ่นัดเพืิดพลิน ก็แสดงว่าทางออกมันต้องมีถ้าไม่มีคนก็ไม่สามารถจะออกจากความทุกข์ได้เพราะตกขังอยู่ในกรงก็สังสาระทุกข์มันก็บุบป น, นอย่างนี้แล้วในสุดก็ทรงศึกษาพวกว่าเพราะโลกนี้มีสุขมีโสมนั้นทำให้สัตว์โลกก็เกิดเสียบติดในสิ่งที่เรียกว่าสุขรโสมนั้น ตอนนี้ท่านสาธาชนทั้งหลายจะเห็นว่าพวกวัตถุ ก, กาลจะต้องเรียกว่ากาลมะคุณเขามะคุณตรงนี้โดยในย่าหนึ่งก็หมายถึงคุณของกาลจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสก็ตามในกรณีที่ยังไม่มีปัญหาอะไรเปนรูปที่มีความสวยงามไม่มีพิรุธไม่มีหักพังมันก็ไปที่กำหนัดเพื่อเพลิพนจุง่มงยินดีของคน ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นคุณเป็นอส า, าทะที่ก่อให้เกิดความชุขจมยินดีของคนทั้งหลายแต่ว่าจริงแล้วรูปคงมไม่เป็นอย่างนั้นตลอดไปก็มีสิ่งที่เป็นโทษอยู่เป็นนันมากที่เกี่ยวกับรูปปัญหาสำคัญว่าที่คนสยบติด มีความกอนัดเพลิดเพลินนั้นมันเกิดขึ้นจากการไม่มองในส่วนโทษหรือมองในส่วนคุณแล้วก็ยอมลงทุนลงแรงเพื่อได้มาเพลิดเพลินยิ่งชมยิ่งดีอยู่กระสิ่งตอนนั้นเราไม่ได้คิดพิจารณาเฉียบเคี้ยงจากจุดนี้เราจึงเห็นว่าหราะเจ้าทรงคิดตลอด สุขคิดแยกแยะอยู่ตลอดเน่ในจตัวอย่างที่การมองถึงความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเกิดขึ้นแก่คนแก่คนเจ็บคนตายนั่นจะมองในในมุมที่เรียกว่าเป็นอาทินวะคือเป็นโทษโทษมันก็อยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นไม่คงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแ ป, งแปงรปรวนอยู่ตลอด ทำให้จิตใจกระวนขึ้นลงไปตามหน้าของความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ียดนั้นเพราะในความยินดีมันก็มีความยินร้ายอยู่ในความสุขสมนัดมันก็มีความทุกข์โกรมนัดอยู่นั่นก็นําเรื่องเหล่านั้นมายแยกในความคิดในแนวแยกมันก็แยกมาตั้งแต่ต้นๆ ถ้ตแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ดสัตรู้ยังไม่ได้เสด็จออกพโนดนะฮะก็คิดแยกมาตั้งแต่ต้ น, นท่านท่านหลายใจว่าคิดแยกในระหว่างงความยินดีกับความยินร้ายเรียกอัศทะกาธีนวะคือส่วนที่เป็นคุณกับส่วนที่เป็นโทษเป็นการมองภาพของคนที่กำลังสนุกสนานอยู่ มันก็กลายเป็นตัวกระตุ้นใะห้เกิดความกวนหนัดเพลิดเพลินยินดีในสิ่งตนนั้นแต่ขณะที่คนกําหนักเพลิดเพลินนี้จมยินดีอยู่นั้นอยู่นันเดมันก็มีไฟมีอันตรายเกิดขึ้นก็เห็นว่าในความที่จมยินดีมันก็มีโทษนํำไฟนําอันตรายนําความพิดปัดมาสู่คนตนนั้นภาพสมัยนั้นไม่เคยมิจิตพิสดานอะไรเท่าไนะรเครงสังคมไม่สลับซับซ้อนมากนะัก แล้วก็เป็นการเห็นประจักษ์คือเห็นด้วยตัวเองไม่ต้องไปดูข่าวคราวมันภาพที่เคยเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าทรงดูอิกาซึ่งแย่งเนื้อชิ้นเนื้อกัดแล้วก็จิกตีกันบาดเจ็บจนตัวหนึ่งทนไม่ไหวก็ต้องขายเนื้อชิ้นเนื้อลงไปที่พื้นดินสุนัขอยู่ข้างล่างก็แยง่งอิกาข้างบนก็เลิกแยง่ง สุนัขก็แย่งกันต่ออกฟัดกันบาดเจ็บแต่เนื้อมก็แหลกไปไม่คุ้มค่ากับการบาดเจ็บแต่สัตว์โลีผมก็เป็นเช่นนั้นส ม, มองภาพของครอบครัวที่มีการทะเลาะ ก, กันภาพของครอบครัวที่ฝ่ายหนึ่งต้องล้มตายสูญเสียไป แต่ ม, มองภาพของคนที่ถูกหามไปสู่เชิงตะกอนมันก็สวนนี้ก็กลายเป็นโทษโทษที่มันเกี่ยวเกาะอยู่กับพวกการมคุณทั้งหลายคนแสวงหาการรมเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ ป, ประสบปัญหาต่างต่ากับสิ่งเดียดนั้นนั้นก็กลายเป็นพวกติเตคว่า อ, อาชีนวะคือโทษ ตัวนิ้วก็มองมาตลอดแต่ให้เราสังเกตอ น, นิส刹ะจริงๆในตอนที่เป็นระบุทิ์ยังไม่ตัดสรุปมันก็มองไม่ได้ตลอดหรอกมองเรียงมาเป็นกระบวนการตัวเห็นตัวปัญหาคือแก่เจ็บตายปัญหาว่าแก่เจ็บตายนั้นมาเป็นกระบวนการมาจากอะไรก็าทรงมองแยก ว่าสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นธรรมชาติแต่ก็แก้กันอยู่แล้วมีร้อนก็มีเย็นแก้มีมืดก็มีสว่างแก้มีทุกข์ก็มีสุขแก้ในกลางคืนก็มีกลางวันแก้เพราะฉะนันมีเกิดมันก็น่าจะมีไม่เกิดตัวไม่เกิดก็ทรงมองเป็นตัวนิสรณะคือหลุดพ้นคือการออกไปจากความยินดียินร้ายเหล่านั้นในจุดแรกเมื่คิดได้แค่นั้นนหละ แต่ว่าไม่ได้มองว่าไอ้ตัวเกิดเองมันก็เป็นผลมาจากเหตุอย่างในศึกษาไม่ได้ถึงจุดนั้นแต่นี้ก็คือเป็นเป็นประกายความคิดที่เกิดขึ้นในครั้งแรกแต่แล้มันก็ต้องมองแล้วมองอีกนะครับเพราะว่าจิตใจกังวลมันก็ปลูกพันอยู่เยอะ แลพวกกรมมาคุณท่านหลายลองสังเกตว่าแนวของสติปัฏฐานในสุดดูกายดูเวทนาเนี่ยก็สอนให้ดูในแนวที่เป็นโทษแล้วก็เวลาเราเห็นจริงๆิงไม่ใช่เห็นเฉพาะเป็นโทษมาเห็นที่ถอดเป็นคุณอยู่ด้วยประหาว่าต้ององเทียบเคียงถึงเปอร์เซ็นต์ที่เป็นสุขกับเป็นทุกข์ ไม่ว่าจะไปแตะที่อะไรพระเจ้าจึงทรงสอนในแนวยาวไปเลยว่าให้ดูตลอดสายมองทุกเรื่องให้ตลอดสายอย่ามองไปเฉพาะจุดเพราะฉพาะจุดแล้วเราก็จะเห็นอะไรไม่ชัดอนรที่ทรงแสดงว่าตอนนี้จัตุรุนะฮะก่อนจะจัรูรุเนี่ยเขาเรียกว่าจัดทรุแล้วแหละตอนนั้นแหะ ก็ทรงมองถึงสิ่งที่ทําให้เกิดสยติดที่เรียกว่าสาตะนเ่องเกิดสยติดต่างๆโดยรวมก็คือวัตถุกรมนะฮะโลกเราก็วัตถุกรรมโลกเราม ก, การกรมารมาพบอะไรมันก็พูดถึงวัตถุกามนั้นเองแต่แกรู้เสียงดิ่นรดปุระแล้วก็อารมณ์ทั้งหลายทรงสอนในลักษณะทงมองลักษณะสื่อสาวว่ามันจริงๆมันมาจากไหน ก็ทรงเห็นว่ามาจากความดั่ริรความคิดของคนในตอนนั้นทรงมองแค่ความคิดน่ยนะฮะมองแค่ความคิดที่ทรงใช้คำว่าสังกับ巴拉โคบริสัสกามโมความดั่ริเรื่องนาของความใคร่นั้นเป็นกามของคนหมายความยังไงหมาความวัตุกามในแง่จริงๆมันก็ไม่มีอยู่โดยธรรมชาติมันไม่ใช่ตัวสัตว์จะทํา มันไม่ใช่ตัวสัตยธรรมแต่เป็นสังขารธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นและมีการเก็บการสะสมต่อเนื่องยาวนานผลวัตถุกรรมจึงไม่ไม่มีข้อยุติแต่ถ้าเป็นข้อยุติ ก, กับมาความทุกคนต้องชอบเหมือนกัน แต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรสากอนเลยรูปสวยก็ไม่ส า, ากลกลิ่นหอมเออเสียงไพเราะ ก, ก็ไม่สากลรสอร่อยก็ไม่ส า, ากลนกลิ่นหอมก็ไม่สะกลสัมผัสที่น่าจาับต้องก็ไม่สะกลต่างคนต่างเลือกเอาเป็นเรื่องของความพอใจของคนก็แสดงว่าแล้วแต่ใครจะคิดนะที่ทรงใช้ันว่ามันเกิดจากความ น, นริผมก็แล้วแต่ใครจะคิด คิดว่าสวยมันก็เป็นที่เพลิดเพลินชื่นชมสมณะสมัครคนนั้นแต่ไม่ไม่ใช่คนอื่นก็จะชื่นชมหมดทุกคนคนบางพวกอาจจะรู้สึกเฉยเยคนบางพวกอาจจะรู้สึกไม่ชอบหรือซ้ําไปในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งก็ชอบเพราะสิ่งเหล่านี้บางครั้งมาสงสอนในเหตุว่าจริงๆมันเป็นมายาเป็นมายาที่บุคคลปรุงขึ้น แล้วก็น่าสังเกตนะฮะแม้แต่ว่าเราศึกษาไปในสายประญาศาสาต่างๆพอสาวลึกลงไปมองมองเหมือนกันว่าเป็นเรื่องของมายาเป็นการปรุงคิดคิดปรุงของจิตเองจิตกำหนดว่าหน้าใครหน้านปรารถนาหน้าพอใจจิตมันก็สุกสงบนัดในเรื่องดอนั้นแต่พอปัญญาเพิ่มขึ้นสืบสายต่อไปว่าสิ่งที่ให้อัตาธะที่จริงมันระยะสั้น สิ่งที่ให้ทุกโภมนัตที่จริงมันยากนนะยากว่านั้นญาี่ทรงแสดงไว้ว่าอภิษฎาดุกขาการมาอิทธิวิญญาณปัณฑิตบัณฑิตมองเห็นว่าการนี้มีทุกขมากแต่มีสุขน้อยเพราะบางครั้งก็สงสัยในรูปกระบวนการคือมองมองจากไหนมองจากข้างนอกได้มองจากใ น, นก็ได้นะฮะพระสูตรจะแสดงมาทั้งสองอยา่างเช่นกันในกณีมองจากข้างใน มื่จากข้างในว่ามันมันเกิดความพอใจนักฆ่า ย, ยินดีขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรภาษาไปถึงถึงก้นบื้องจริงๆก็คือกามาธาตุคือเชื้อกลองความใคร่ที่มีอยู่ภายในใจของเราถามมีการมาธาตุเฉยๆมีปัญหาไหมมันก็ไม่มีปัญหาคล้ายๆกระตะกร อ, อยก้นผัดชนะถ้าผัดชนะใหญ่ๆ ใ, ใครจะเข ย, ย่ายังไงตะกรไม่ขึ้นนะน้ําขมบนก็ยังดื่มได้ เ, เระะียบร้อยอยู่ เพราะมีการมาธาตุจึงมีการมาสัญญาใจไปกาหนดอารมณ์เหล่านั้นว่าหน้าใครล้าความใจต้องกำหนดทีนี้การการการกำหนดที่จริงมันมีสองกำหนดคือกำหนดที่เก็บเป็นเชื้อไว้ภายในใจแล้วกำหนดเมื่อไปกระทบอารมณ์หรือจิตเป็นเดี่ยวนึกดังนั้นเราจึงพบว่าอารมณ์สมมติว่า รูปที่เรากําหนดไว้สวยที่จริงเราเห็นครั้งแรกมันก็เฉยๆไม่รู้รูปอะไรเลยทําไปพอเกิดรู้เกิดเข้าใจขึ้นมาก็เกิดความชอบหรือเกิดความชังขึ้นเพราะความชอบความชังในส่วนนี้มันจะกลายเป็นสัญญาที่เก็บไว้าภายในใจมันกลายเป็นเชื้ออยู่สะสมอยู่ในการมฐานตาพบที่หลังเชื้อตัวนี้นต้องขึ้นมาบวกมาช่วย ถ้ามีเฉพาะรูปตรงนั้นเราไม่มีเชื่ออยู่เราก็รู้สึกไม่รู้อยู่เหมือนเดิมเพราะฉะั้นอภิชาวก็เป็นหลักอยู่ถ้าไม่รู้มันก็ไม่ออกมาในรักในชังเพราะฉะนันจะต้องรู้คุณค่ารู้่ความสวยงามความดีของสิ่งเหล่านั้นก่อนและะ้วจ ะ, จ, ะ จ, ะจะเกิดเป็นความชอบหรือไม่ชอบขึ้นมาจะจะจะเกิดเป็นความชอบขึ้นมามความก้าวศัทธาสมบัติเราเป็นความพอใจสมบัตเรา แล้วถ้าอยู่ตรงนี้มันก็อยู่ภายในใจนึกอยู่ภายในใจมันก็ต้องออกมาในรูประดับตึงถ้าเรียกว่ากามฉันทะคือความพอใจในสิ่งที่ใคร่ปัจจัยกำหนดไว้นั้นเราก็มีความพอใจในสิ่งลดนั้นเดี๋ยวนั้นก็เก็บสะสมอยู่ภายในใจเราก็อยู่เฉยๆข้างล่างอีกอยู่เฉยๆภายในจิตติมันก็ไม่ออกมา มันจะเกิดอย่างหนึ่งก็เรียกว่ากามาสังกับปะคือตรึกนึกเหนียวนึกด้วยอํานาจของความใคร่อยากดูอยากฟังอยากดมอยากลิ้มอยากอยากต้องก็คิดมากเข้าใจมันร้อนเป็นกามะปริลาห์ร้อนขึ้นภายในก่อนร้อนขึ้นภายในใจก่อนใจมันก็เริ่มสายสายออกมาก็เป็นตันหาคือใจมันดิ้น เป็นกามาตัณหาใจก็ดิน้นก็ยังอยู่ภายในอ่ะอยู่ภายในใจอยู่พอถึงจุดหนึ่งเขาเรียกว่ากามปรษณาคือแสวงหาในสิ่งที่ใคร่เดิมมากของความใคร่ปัญหาจะจะเห็นว่าตรงนี้มันเข้มข้นขนาดไหนพวกกามธาตุ ก, กามสัญญากามสันธะกามสังกัปปะกามปรีราหากามตัณหามันเข้มข้นขนาดไหนรุนแรงขนาดไหน แรงก็ออกมาในร่วมการแสวงาที่แรงก็เป็นพฤติกรรมที่เป็นนันตยกรรมทั้งหลายเราจะท้อนกลับไปสู่ธาตุว่าธาตุนเยอะสะสมเรื่งองเหลนี้ไเยอะเลที่เขาเรียกใจบาปหยาบช้าถ้าใจมันบาบการทําการพูด ก, ก็อยากช้าภาษาดีนะฮะคนไทยคิดอะไรไว้ดีๆเยอะใจบาปหยาบช้า ที่ยิ่งมันก็อยาบไปจากใจนะแต่ว่าที่มันหยาบได้เพราะใจมันเป็นบาปถ้าใจเป็นบุญมใจมันไม่อยากเพราะใจบาปอาการทั้งหลายที่พูดมันก็ที่พูดที่ทำมันก็กลายเป็นความหยาบชา้ามันให้ความต้องัาแกอัตตาตัวเองมุ่งปลปรืโนตัวเองไม่ได้คำหนึ่งถึงคนอื่นเลยนะโดยจะเห็นว่าคนป่าภาพของคนป่าที่ล่ล่าผู้หญิงจับตีเอเลย แบบที่ชุดกระชากกันเลเป็นภาพที่เลวร้ายมากนั้นแสดงให้เห็นหนึงใจมันบาปแล้วก็อยากชา้าอาการต่างๆก็เป็นบาปบาปต่งางๆทีนี้ไอ้สิ่งสิ่งเหล่านมันก็มีอยู่ทุกุคทุกสมัยแม้ในปัจจุบันเราก็พบอาการเหล่านี้คราวๆในเรื่องราวเหล่านี้เป็นกระบวนการทางจิตจิตก็ไปกําหนดอนาะรมณ์อย่างนี้น่าคล า, ายน่าปรานาน่าพอใจแล้วก็พอสแสวงหาทีนี้ ถ้ะเห็นว่าถ้าไม่แรงกระบวนการมันก็จะไม่แรงการแสวงหามันก็ออกมาในรูปในรูปของความถูกต้องอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราเรียงกิเลสประเภทโลภะออกมาสักสามสี่ชั้นนะ่ะถ้าหยาบแรงขนาดนั้นก็คือปล้นนะคือปล้นคือคอร์ชชันคือใครขวางไม่ได้นะฮะใครยอมข้าอยู่ใครขวางค่ารอดไอ้นี่ไอ้นี่ก็คือแรง เราจะเห็นตั้งอวิชาทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโลภะโอม้มันเต็มไปหมดเลยเพอไปถึงจุดหนึ่งอย่างการมีศีลที่จริงเราก็แสวงหาแต่ปราถูกตีกรอบเอาไว้ว่าต้องไม่ผิดศีลแล้วในความแสวงหาระดับศีลเองก็มีความประนีตขึ้นอย่างโดยเตัวะอย่างไรแต่กี่วัะบางคนอาจจะลักขโมย บางคนอาจจะใช้คนอื่นในลัคาโหมยไอ้ยนี่ผิดศีลบางคนไปยกย่องสรรเสริญคนที่ขาโมยไม่ถึงผิดศีลนะไดรรจ้ใจว่ามันมีอวิชชามันมีกามาันไอ้ ม, มีการมาท้าเดี่ยวไฟในใจหรือบางคนก็ขนาดว่าชื่นชมยินดีในสิ่งที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบ ท่านวิเนยเวลาเขากำหนดพระเนี่ยกำหนดการการได้ปัจจัยของพระเอาไว้จึงเรียงไว้ลมแล้วหลาย ร, ระดับชาวบ้านไม่ผิดศีลถึงขนาดนั้นแต่ชาวบ้านแต่แต่พระผิดพระท่านบัญญตัติเป็นศีลเอาไว้ชาวบ้านจะเป็นธรรมะธรรมะว่ากเกิดจิตคิดเสมว่าเราจะพอใจยินดีไหมของอย่างนี้มันเป็นวัตถุ ก, การมที่ต้องเสื่อมสลายไปตามธรรมดาแต่บาปมันติดใจเราเลยจะเอาไหม เระเจ้ว่าคนบางคนไม่ยอมแตะของที่ได้มาในทุจิริตอร์ประติของนั้นเป็นสิ่งที่เป็นอาชีนวะคือเป็นโทษและจะนำบาปซึ่งเป็นโทษติดตัวติดใจกันเราไปก็นำเราไปสู่ความเดือดร้อนในสัมปรายภพภายภักหน้าเพราะว่าโลภะที่มันรองลงมาเราจะเห็นว่ามีการแสวงหา มันก็อยู่ในกรอบของการพัฒนาสร้างสรรค์ต่างๆเพราะกิเลสประเภทโลภะเป็นกิเลสประเภทสร้างนะฮะพวกตัญหาประการมติหาเาะวาตัณหาที่จริงมันเป็นกิเลสประเภทสร้างถ้าเราคุมได้นะฮะถ้าคุมไม่ได้ก็คือทํำลายเราดูการสร้างตึกที่เกาหลีเห็นไหมที่จริงมันก็เป็นโลภะแต่โลภะมันมากไปคือต้องการได้มากต้องการตึกสูงแต่บนรถไฟผันผันก็คนตายนะฮะตอนนี้ก็โดนซ้อมติดคุกไปแล้ว นี่คือภาพที่เราเห็นว่านั่นคืออาการของโลภะมันสร้างแต่ถ้าโลภะมากจะไม่มีความรับผิดชอบมุ่งแต่ตัวเองจะได้นึกแต่อัตตาตัวเองไม่นึกถึงสวนอัิภากว่าคนอื่นที่เข้าใช้บริการจะขาดความรับผิดชอบในการแสวงหามันเป็นเศรษฐกิจแต่เป็นเศรษฐกิจที่เอารัดเอาเปรียบคนเด็ด พอจะถึงจุดหเดิมมันก็กลายเป็นเรื่องที่คุมไว้ด้วยกฎหมายได้สิ่ทําก็เรียกสามมาชี้คนเราก็ร่ำรวยร่ารวยมั่งคั่งเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีได้ถามว่าโลภไหมก็โลภเพียงแต่ว่นคุมไม่ได้ก็ถามว่ายินดีไหมก็ยินดีเราจะเห็นว่ามีความยินดีสูงขึ้นมีส่วนที่น่า ย, ยินดีสูงขึ้นเพราะภูมิใจที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากการทําการงานที่ปราศจากโทษ มันก็เป็นนัสสาทะอย่างหนึ่งแต่เป็นนัสสะทะระดับโลกเราระดับธรรมดาธรรมดานะฮะพอถึงจุดหนึ่งตัวตัวตรงนี้เราเรจะเห็นว่าใน้กามนี่ท่านใช้ธรรมะด้วยนะฮะธร <c> รมกามโมระวังโหตินปุ้กไคร่ธรรมคร่ธรรมเปนผู้เฉลยเพราะในความใคร่ตรงนี้มันใคร่บุญใคร่กุศลมันก็ไปหลยถามมันโลภมันก็โลภโลภโลภเหมือนกันนะฮะ เราจึงบางทีเราจึงเห็นว่าคนสละผลประโยชน์ต่างๆสละเงินมหาศาลเพื่อได้ยศนะการซื้อเสียงนี่แต่จริงก็สละเงินเพื่อได้ เ, เพื่อได้ยศ เ, เพื่อได้เป็นผู้แทนเพื่อได้เป็นรัฐมนตรีนะฮะก็ถามว่าโลภไหมโลภโลภผิดไอ้ตัวนี้ที่ที่จริงมันค่อนข้างพุทธิจิออกมากไปไหน่นะทีนี้เช่นการบริจาคทั้งหลายนี่ครับเราบริจาคทั้งหลายนั้นทรัพย์เราก็ได้มาในทางที่ชอบทำ แต่เราก็เสียสละต้องการจะได้ยศได้เหรียญดาได้เป็นคุณหญิงคุณนายท่านผู้หญิงถามว่าโลภไหมก็โลภนะถามว่าก็กโลภแต่ว่ามันมันชักจประีตทิ่นละชักจะประนีตขึ้นสิ่งเนานั้ น, นต้องกายเป็นเผื่อแผ่แกสังคมเล็กก็เสริมสร้างสถานะตัวเองขึ้นจนถึงกับบำเพ็ญสาธารณกุศลต่างๆ มันเป็นบุญทั้งหลายจะถามมันโลภมันก็โลภนะฮะแต่ต้องการความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการเสียสละเหล่านั้นและความสุขนั้นมันยืดเยือแล้วมันแทนที่จะปัจจุบันไม่เอาแล้วมันต่อไปในอนาคตฝ่ายพักหนาค น, น ก, กิเลสประเภทนี้บางทีท่านก็แสดงว่าอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาตัณหาเราต้องอาศัยแกตลอดจนกว่าจะถึงนิพพานนหะ ไปชิงกับตัวโน้นน่ะ น, นะชิงกับตอนไปถึงนีพผ่านน่ะนะท่านในอุปมาเห็นว่ามันเหมือนกันเรือที่เราต้องอาศัยคา้ามฟาดการหมุนวนในสังสารวัตรเกี่ยวกับเหมือนกระแสห ม, มาหาส ม, มุทรที่เรียกว่าสงสารสาครนสงสารสาคขานคือก็คือทะเลนะก็คือทะเลแม่น้ำหมาส ม, มุทรเนี่ยเราจะต้องไหวคา้ามฟาดกิเลสประเภทโลภมันเกิดกลายเป็นตัวดันตัวผลักดันไป แต่เราขึ้นฝั่งแล้วเราต้องทิ้งถ้าเราเอาไปด้วยเราขึ้นฝั่งไม่ได้ถึงจุดหนึ่งจึงละตันหาท่านเดียวอาศัยตันหาเพื่อละตันหาอาศัยโลภะเพื่อละโลภะนะแต่มีข้อแม้พระเจ้าส่งสอนว่ากามราคะไอชักสะานคืออาศัยมันไม่ได้เพราะะไรเพราะพวกนี้มันมีสิ่งที่ที่เรียกว่าไม่เต็มไม่อิ่มเนี่ย เป็นเรื่องของการไม่เต็มไม่อิ่มทรงแสดงว่าอะไรล่ะดื่มสุรากามคุณนอนหลับสามอย่างนะฮะไม่เต็มไม่อิ่มคนไม่รู้จกอิ่มอ่ะสี่เรื่องนี้สามสามเรื่องนะะก็ก็ตลอดชีวิตเพราะงั้นเราไปไปไปตอบสนองไม่ได้ก็สอนแนวของการชักสะพาน เราจึงเห็นจึงเห็นชัดนะท่านทั้งหลายจะเห็นชัดเอาพอศีลได้เห็นไดชัดเลยเห็นไหมฮะศีลเรียงพอถึงศีลที่สองนะั้นเรื่องชักสะพานกามราคานะแล้วเปลี่ยนจากกรมเมเป็นอาภรรษแล้วเป็นอะแล้วก็เริ่มประดีษขึ้นไปเรื่อยๆจนจนพยายามที่จะถอนตัวเองออกไปจาเรื่องตรงนี้เพราะเป็นอัศทะแต่ว่ามันมีโทษมากมีคุณน้อยมีโทษมะมีคุณน้อย มันก็ทรงสอนให้มองในตัวอาทีนะวะให้เห็นอาทีนะวะของอะไรอาทีนะวะคือโทษของปุกวัตุกรรมติว่าเ น, นี่แหละที่ก่อให้เกิดอันสาธะนั่นแหละที่ก่อให้เกิดความยินดีนั่นแหละแต่่จริงแล้วมันก็เป็นโทษอยู่แล้วก็โทษมากกว่าความยินดีแม้ร่างกายก็เราเองเราลองดูกันแล้วกันว่าเราพลบพลืนลดูแลเกสารพัาร้อยสี่พันอย่างแกไม่เล่นกับเราอ่ะ นึกจะเป็นยังไงแกก็เป็นนึกจะแก่แก่แก่นึกเก็บแกจะเก็บนึกจะตายแกก็ตายอ่าไม่ไม่ได้สนใจอีนางขังขอบอะไรกับความรู้สึกนึกคิดของเราเลยก็ร้องอ่อนวอนทํำไรทำสารพัดทำแกไม่อยู่แกก็ไปแล้วแกก็แตกแล้วที่เราจะเห็นว่าเราก้งแบกแกตั้งเยอะนะต้องแบกขันสารพัดขันแต่เขาจริงแกไม่เอื้อเฟืออะไรกับเราเลยนั้นแสดงเราทุกข์กับแกแต่แกไม่เอื้อเฟือกับเรา เราก็มองให้เห็นในในแง่ของความเป็นโทษแล้วโทษนั้นพึงสังเกตว่าเวลาสอนนั้นไม่ใช่สอนเฉพาะโทษระดับใดระดับหนึ่งจะสอนโทษไปเรื่อยๆมันว่ามาสอนจะทิ้งไปเรื่อยจึงยานภาณะนั่นแหละแต่ว่ามันมีลักษณะต้องผลักเปลี่ยนที่บางทีทรงอุปมาเหมือนกับเดินทางจากเมืองสาวัตถีไปเมืองสาเกตนะฮะสมัยนั้นมันก็ห่างกันประมาณเท่าไรเราเรียกว่าแปดโจทย์มันมียานภาณะต้องเปลี่ยน เที่ยวด้วยกันแดงก็ต่อโดยรถนะนะรถต่อกันเรแต่พราะนันพอถึงจุดเดิมมันต้องเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถเป ล, เปล่ไปติดรถจะคันใดคันหนึ่งไม่ได้เพราะถ้าติดไปไงคือไม่ถึงแต่ว่พาพอพอเรียงระดับที่เรียกว่าอาท์ีนะวะจึงไม่เรียงเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแต่เรียงขึ้นไปเรื่อยๆหมายความว่าถึงแต่และจุดดีถ้าไม่ถึงจุดหมายปลายทางและไปติดไม่ได้ติดก็คือไม่ถึง เป็นทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่เร so so ียกว่าเทศมารที่สุดก็เรียกว่าภูลาณาสารย์เรียงเป็นเป็นเป็นก้าเป็นเก้าขั้นบันไดก็ตต่ขึ้นไปเดืยแต่ไม่ใช่เรียงไม่จะเทศทีเดียวหมดเก้าขันน่ะฮะนอกจากว่าคนฟังเก่งจริงๆจริงจะไปนะจะพูดเรื่องฐานพูดเรื่องศีลซึ่งหมายความพวกนี้ที่จริงก็ลดลดโลภลดโกรธลดหลงนะ ให้อะไรให้อัศสาหะคือความยินดีให้อัศสาหะคือความยินดีในข้อแรกนะให้ให้ความสุขสมนัติเดคนที่ประพฤติปฏิบัติแต่มันเกี่ยวกเกาะอยู่ด้วยภพผลศีลผลทานยังไงมันก็ติดอยู่ที่สวรรค์ที่ภบมาโลกแถวนั้นเนี่มันไปไม่ถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นก็ส่งสอนเรื่องสวรรค์เอาไว้ ว่าจากการให้ทานใกน า, ารทำศสนจะทําหบุคคลตายไปได้บังเกิดในสวรรค์สวรรค์มันก็เป็นภพภบพบเป็นชาติชาติมันก็ชรามรณะมันก็ตายเหมือนกันก็แก่ก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงก็ทรงสแสดงถึงอาทีนะวะเห็นไหมไฮะโทษตรงนี้โทษโทษบนสวรรค์เลยนะกามที่เป็นทิพย์มันดูยากใหญ่เลยทีเนี้ยกามที่เป็นทิพย์นี่ยแต่ว่านี่คือโทษ ทำให้คล้องติดอยู่ในภพถึงแม้จะประณีตมันก็คือภพนะฮะทรงแสดงไว้ในอภิสูตรเนี่ยมาจุดที่ต่างกันนะนะครควเมื่อคนเราที่เกิดในภมทรงยกตัวอย่างรพมโลกเลยทั้งไปนะฮะคนเราเกิดอยู่ในภพมโลกแล้วเนี่ยจุติจากนั้นตกนรกก็ได้ตกนรกก็ได้เพราะมันไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรเที่ยงแพ้แน่นอนแต่ถ้าเกิดภพมโลกด้วยอริยผล คือเป็นพระยะหรือเกิดสวรรค์โดยการเป็นอริยผลตั้งแต่ปะสจจุบันขึ้นไปก็เกิดสวรรค์นะครับปสจจุบันพระธกิตาคามีได้ยังกเกิดสวรรค์กระาคามีก็เกิดพรหมโลกพวกนี้จะไม่มีทางตกนรกเลยนี้ท่าบอกคือข้อที่แตกต่างกันหมายความไงหมายความความดีในแต่ละศาสนาเนี่ยสามารถส่งผลขึ้นพรหมโลกได้แต่ว่า เป็นพรหมโลกที่อาจจะหลังจากนั้นตกนรกได้ได้วยเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสยังไม่ละได้เด็ดขาดพรหมโลกมันมีการสงบกิเลสก็ได้นะอาจารย์นพรหมโลกมันมการสงบกิเลสก็ได้พวกฌานทั้งหลายพวกฤาษีทั้งหลายเนี่ยพวกอาจารย์ของพุทธเจ้าท่านอาลานาบดุทตกกระาบด์เนี่ยที่จริงท่านก็เกิดในพรหมโลกแต่พระพุทธเจ้ารับสั่งไว้ไงว่าอาจารย์ทั้งสองสี่หมายแล้ว สิ่หายใหญ่แล้วคำาำว่าสี่หายไม่ใช่หยาบนะฮะหมายความว่าสูญเสียโอกาสโอกาสที่จะปิดประตูนรกแล้วท่านไม่มีโอกาสที่จพบพระพุทธเจ้ามันไม่พบกังง่ายนะเพราะท่านไปอยู่ตรงนั้นมันนานเลยคุณพระเจ้ามันสะสรู้อีกกี่องค์ก็ไม่รู้ท่กาทั้งกาไม่จุติมาสักทีนั้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงกายอย่างเป็นโทษ แล้วก็ส่งแสดงถึงวิธีออกไปจากโทษเหลนั้น mm hmm. เห็นไหยว่าว่าในอนุภูมิพิกถานี่เองอนุภูมิพิกถานี่เองก็แสดงไว้สามระดับอย่างที่ว่านี่ย mm hmm. คือหมายความแสดงในส่วนที่เป็นความชืนช่นชมยินดี mm hmm. ในส่วนที่เป็นโทษแล้วในส่วนที่เป็นทางออกทางออกไปจากทุกจากโทษเหลนั้นโดยทรงแสดงไว้ในประโยคต่อมาเนี่ยหมายความว่าไอ้ทางออกเนี่ยมันมี ถ้าไม่มีนี่คนแต่ก่อนเป็นํำรวจมากท่านก็ อ, ออกไปไม่ได้แต่ท่านออกไปได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นมีแล้วเน่ดีพระนทั้งหลายมีแล้วเน่ดีแล้วข้อที่น่าสังเกตดึกซึ้งไปกว่านั้นก็หลายปีที่แล้วนะหลายปีมาแล้วที่เราพูดถึงกัก ข, ขะวิสาทสุเป็นการนำประวัติของพระประเจกาพะพุทธเจ้ า, จาแต่ละพระองค์ ที่พระเจ้าเล่ามานะฮะแล้วก็พระโบราณอาจารย์ก็นามาเรียงไว้ในที่เดียวกันสู้นึ่งเลยท่านเหล่านี้ท่านอยู่ท่ามกลางอาสาถักคือสิ่งอารมณ์ทีหน้ากรานาณนาะยินดีและส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกรรษัตริย์กับพราหมนะฮะกรรษัตริย์พราหมเป็นตัวหลักก็สิ่งที่หน้ามองว่าทำไมกรรษัตริย์พราหมจะเห็นได้ทำไมเศรษฐีจึงเห็นไม่ค่ได้ พระเศรษฐีนั้นอยู่ในแวดวงของกามากุลที่มากแต่กษัตริย์พราหมนะมีโอกาสที่จะปรึกเพื่อศึกษาเพื่อเรียนรู้เพื่อเข้าใจสิ่งทั้งหลายพรามในทุ่มเทลงไปเลยนะฮะกษัตริย์ท่านก็มีโอกาสมีโปรยเหตุมีที่ปรึกษามีด้าบทมีอะไรอะไรเนี่ยกานเข้าหาผู้ทํานวนปัจจุบันว่าเข้าวัดครามธรรมยำสีมากกว่าพระเศรษฐีไม่ค่อยมาเสียดายสตังเสียดายเวลาเสียดายโอกาส เราจึงไม่ค่อยพบว่าพระปฏิเจกพุทธเจ้ามาจากเศรษฐีแต่พบพระปฏิเเกพุทธเจ้ามาจากพราหมกับมาจากพวกกษัตริย์ซึ่งโอกาสเนี่ยฮะโอกาสของท่านเพราะเศรษฐีจะอยู่ในความโลภสูงใช่ไหมต้องโลภสูงต้องแข่งวันนี้ไปแข่งกับโลกแล้วเนี่ยแข่งกับโลกเลยแข่งรวยกันเลียงรวยกับโลกพะมันมีแต่โลภโลภโลภโลภโลภโลภนำหน้าอยู่ตลอดเลย หยุดไม่ได้เพราะถ้าหยุดมาเข้าวัดแค่สักสามสี่ชั่วโมงนี่เงินขาดไปหลายหมื่นหลายแสนกวนก็หลายลาย้านนะไม่เอาหรอกเราเห็นได้ชัดภาพชีวิตเห็นได้ชัดว่าเอ๊ะทําไมมันเป็นแบบพระพัวเจกพระเจ้าถ้าท่านเหล่านั้นมันสังเกตว่าท่านคิดเองไม่มีใครสอนเลยและบางอย่างบางอย่างมันก็ไม่น่าเชื่อท่านคิดง่ายๆนะแต่ท่านไปกันท่านได้องค์แรกที่ปรากฏในคาขาอิสานสูตรเป็นกษัตริย์ สเสด็จเรียบพนคพรคนก็ข่าวแอนรับสเสด็จเป็นจำนวนมากแล้วก็กระบวนสเสด็จเนี่ยประทับบนช้างช้างมันสูงประทับบนกูบก้างบนด้วยนะฮะแล้วก็ผ่านต้นมะม่วงนะต้นมะม่วงมันก็นย้อยลงมาท่านก็นดึงดึงมาสเสวยบนหลังบนนั้นนะนะพอท่านกระบวนสเสด็จผ่านประชาชนก็ยังอยู่ตรงนั้น ไอ้ม ma, ะม่วงนี้พระชาเสวยแล้วพราเรากินได้ก็เฮโลสารภาพไปเลยแย่งถึงดึงผลมะม่วงกันมากินเกลือนไปหมดเลยตอนเสด็จกลับประกายความคิดจึงไม่ใช่โกรธมันน่าโกรธแต่ไม่โกรธพระค่ายความคิดตั้งเกิดคิดว่ามะม่วงนี้ทําไมยังถูกถึงถูกทาลายถูกดึงถูกหักกิ่งถูกหักถูกถูกถูกแย่งลูกเพราะมันมีเพราะอาศยความมีนี่เองมีอะไรมีผลเพราะถ้าไปเทีย่ยวมะม่วงอีกต้นเนี่ง มังตัวนั้นเรียบร้อยอยู่เรียบร้อยใบยไม่หลดุดดอกใ บ, บนะนทั้งทั้งนี้อยู่ใกล้กันทําไมไม่หลุดเพราะไม่มีเพราะไม่มีมมให้มีการดื้อย่งกันปัญหาว่าเกิดจากความมีนะอย่างที่คนจีนสำนวนจีนอยู่บทบทหนึ่งเราเห็นได้ชาติคนไม่ผิดผิดที่มีโยกติดตัวเพรา ะ, ะนั้นเน่ยหนังจีนทั้งหมดนจะมีตัวแย่งแย่งไล่ล่ากันอุนตลุดขูดคนสารพัดรดงกันมาฆ่ากันตายเกิดแย่ง แย่งดาบกายจิสิทธ์แย่งขับพีแย่งอะไรแต่ไรนะจะแย่งจะแย่งมันพาดชัดว่าทำไมจึงแย่งเพราะมีเมื่อเมื่อมีจะเป็นที่หมายปองของคนหลายเพราะหมายปองคนหมายปองหลายคนของมันน้อยก็แย่งก่อนจะได้จะฆ่ากันตายแล้วบางทีก็ไม่มีคนได้ตายหมดเลก่อนนั่นคือภาพของชีวิตที่มันเกิดจากความคิดของท่านท่านไม่โกรธนะ ท่านถามมาเป็นใดจังเป็นใดเขาก็ะลาก้องอนมาจาั้ทั้นมันึกว่ารวมๆปัญหาตั้งหที่ท่านท่านท่านเกิดปัญหาอันมาเพราะว่าท่านมีท่านเป็นท่านมีทรัพย์พระราชาทรัพย์ท่านเป็นพระราชาปัญหาต่างๆจึงวิ่งมาหาท่านแล้วก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าต้องการจะให้โปร่งเบาสบายเมันไม่จะจบลงด้วยคำตอนทานจะเหมือนกันทุกข้อ คลายๆกับเอตมังก์ละมุตมังก์ะครอนนี้เป็นอุดมุมมงคลจะจบลงด้วยตรงนั้นนะครับเอโกเจเรคขาวิสานะกับโปพึงเชี่ยวไปคนเดียวมันนอแรกไม่มีการกระทบกระทั่งกันใครก็เป็นรูปสันโดษสงบแต่ความคิดอย่างนี้เราอย่าลืมว่ามันมันจะมีอัศรพในในอะไรก็เรียกว่าความสุขมันมีสองระดับ แต่มื่ออาไม่สุขสุขเพราะปนปรืดในวัตถุสิ่งของมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสมาปนปรือก็ถือว่าคนได้สุขที่จริงเราจะเห็นว่าความสุขในเรนนี้เป็นความสุขที่สั้นอุปมาเหมือนกระเปลาแกลแพ้คันพอหายคันประเดียวมัคันอีกอ่ะเกาเกไปก็หายหายคันแล้วมันก็ขันอีกเพราะฉะนั้นจะปนปรืดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ตลอดแล้ถ้าเราโดูดีจริงๆซ้ำๆซากๆ มืนก็สูบกระดุมเหล้ามันดื่มมาตั้งแต่หนุ่มๆจนแก่ตายไปยังไม่เลิกเลยที่จะมันกูเหล้านั่นเองแล้วก็ไม่ได้เคยสังเกตโรคปัญหาต่างๆมันมาเพราะดื่มเหล้าต่างเยอะแยะไปหมดเลยสุพรรีทั้งหลายเยอะแยะไปเขาก็ไม่ได้สังเกตก็ไม่ได้เทียบเคียงปัญหาสําคัญยิงการศึกษาพยายาิจาราเทียบเคียงตรงนี้ท่านกบฎยาเชียบเคียงองค์หนึ่งยิ่งแล้วกว่านั้นนะนะองค์หนึ่งนี่ท่านท่านท่านดวยสนมเขาเขาก็ชักผ้าก็มี กำไรใส่แขนอยู่คนละอันแขนละอันเวลาแกซักาแกเกิดไม่ถนัดขึ้นนะ่ะแกดึงอีกอีกแขนหนึ่งมาใส่อีกแขนหนึ่งกำไรของกองกลางกองกลงกองกลงกันงทั้งหมดยืนเอ๊ะมันสักเงียงเี้ยว่าทําไมมันดังกองกลงพระราชาอีกองหนึ่งนะฮะอ๋อไอ้นี่เพราะกำไรเพราะกำไรมากระทบกันเพราะการคนทั้งหลายที่มันเกิดกระทบกันท่นเลาะ ก, กันยื้อยง่งกันปราบปรากันเพราะว่ามันมาอยู่ด้วยกัน มันเกี่ยวข้องกันแล้วพระองค์เองก็ที่กระทบกระทั่งอะไรแต่ไรนี่นะฮะก็มาอยู่ร่วมกันก็คิดแบบนี้เที่ยวไปผู้เดียวมันนอนแหลเหมือนกันเป็นพระปฏิเจกับพุะธเจ้าเห็นไหมว่าทางออกนี่มันอยู่ที่ภูปัญญาของคมองอะไรมองสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติเรามองสิ่งที่เป็นอัศะคือยินดีเนี่ย ที่จริงเรามองด้วยกินเละเรามองในวิชาเรามองไม่แยกเราก็นึกว่ามันให้ความสุขแก่เรากินเลี้ยงกันอร่อยอร่อยเท่าไหร่กินเลี้ย ง, งชั่วโมงเดียวเยอะแล้วก่อนจะได้กินเลี้ยงมันยาวเท่าไหร่กินเลี้ยงไปแล้วมีปัญหาเรื่องกินเท่าไหร่มีปัญหาที่เนื้อทีลูกต้องแปลงฟันต้องล้างมือต้องเะไสารพัดอย่างแล้วก็ต้องชําระสระสางล้างถ้วยโถัวโอชาอีกเยอะแยะไปหมดเลยวันเกิดที่เราทําบุนวันเกิด ได้จะเห็นว่าเวลาจะเตรียมนินนาณนะเวลาชำระล้างจัดการเก็บบาดเก็บปากบาทเช็คตัวอะไรนานแต่ละกินนิดเดียวแต่กินนิดเดียวตัวเองแล้วก็อร่อยนิดเดียวด้วยอร่อยพอผ่านลําคอมันก็จบละนี่คือสิ่งที่ที่ท่านท่านมาเอามาเทียบเคียงตรงนี้ว่าไม่ใช่ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่มีคุณมันมมีอาสาทะเข้ามา ถ้าไม่มีคุณเลยคนก็ไม่สยบติดเพลิดเพลินหรอกแต่ปัญหาว่าทำไมคนยังเกิดความสยบติดเพลิดเพลินก็อย่างที่สะท้อนภาพโลกในอักตรธนธรรมเช่นเอกนะสมเด็จรามนาเจ้าทรงนำมาเป็นคาถาบทแรกเลยเพราะว่าเป็นธรรมวิจาร์ดสะท้อนภาพขวงการมงคล่อเนี้พรู้จ้ารับสั่งเพราะมากตอนนี้เพาะมาก ก็เรียกว่า AH อ so ่านทีเดียวจําได้นะมันมันไพเราะเลยเก่งว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุราชรดที่พวกคนเราค้องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่ค้องอยู่โลกไปเดียวกันโดยเห็นว่าอัศทะเขามองว่ามันมันดีมันมันมันสวยมันไพเราะมันขอมันอร่อยมันน่าจะต้องมันก็กลายเป็นอัศทะสมบูรณ์เขาคือพอใจยินดีสมบูรณ์เขาแต่คนหนึ่งมองตรงนั้นแหละมองจุดเดียวกัน แล้วเมองในแง่เป็นโทษเพราะเขามองรู้จักแบ่งแจกรู้จักแยกแยกอย่างน้อยที่สุดเราจะพบว่าการมองมองมองโทษเนี่ยระดับสินธัรญาจึงสอนระดับมองโทษทุจดิษให้ให้ลองสังเกตนะฮะมองระดับโทษทุจริษฐ์กันเองไม่ได้มองถึงใจ ล, ลักมองถึงนิ จ, จตาทุกตาหน้าตาไ ม, ม, ม่ไม่ใช่ระดับนั้น ระดับนั้นเป็นการมองอีกระดับหนึ่งเป็นวิวัฒนากรรมฐานแต่อย่าลืมว่าตรงนี้ก็คือหมายความว่า เ, ออเธอพอใจก็ก็รักษาสิ่งที่พอใจได้นานๆเห็นไหมอย่างสุขก้องเรือกาศเองนั้นชัดมากเลยสุขจากการมีทรัพย์ใช้ใจทัพย์ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครแลาทำงานที่ปราศจากโทษถามว่าเป็นวัตถุการไหมวัตถุการมทางนั้นเลยทั้งหมดเป็นวัตถุการมทางนั้นเลยแต่ ทำอย่างไงล่ะเธอได้ชื่นชมกระสมบัตินี่นา น, นะย้ายได้มาในทางทุจริตจะให้กําลังเพลิดเพลินอยู่เพื่อนจับใส่คุกจะเลยเพราะไปคอร์รัปชั่นไปกงกินไปทุจริตมาเอาให้รักษาตรงนี้ไ้แล้วก็เอาในสายเพลิดเพลินต่อไปก็แสดงเรื่องการทําทานเรื่องการให้ความสุขในชาติปัจจุบนันความสุขในสวรรค์สวยที่ประเสุขต่างๆถามมาตรงวัตถุ ก, กรรมวัตถุ ก, การม เห็นะวัตถุ ก, กถารอสาอสาทัพอาสาทะเพลิดเพลินยิ่งขึ้นนะเพลิดเพลินยิ่งขึ้นนานขึ้นอายุยาวขึ้นสำหรับคนที่ยังเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่ในตรงนี้ออกจากได้ออกความทุกข์ไปตามลําดับออกเหมือนกันนะฮะที่จริงก็ออกเหมือนกันออกจากความทุกข์ไปตามลําดับที่ทรงใช้สํา น, นวนว่าเหมือนกับย้ายจากกระต๊อบไปอยู่ที่จริงทรงใช้คำว่าอ ทำลายภาชนะดินไปใช้ภาชนะทองคำนะอะมาว่าอ <utilizz ates 32> ุปมาปัจจุบันมันจะชัดจะชัดหมายความว่าย้าจากกระต๊อบไปอยู่ปราสาทตรมันเห็นภาพเห็นภาพชัดว่ามันมันมันบการที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปสยบติดตรงนี้เราอัดสาทาเราชื่นชมอย่างดีตรงเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยแบบนอนกระเทวดาที่ว่าตะกี้มันก็ติดอยู่ตรงนั้น เันตรงนี้ไม่ได้พูดนี่ผ่านอะ่ะพูดเฉพาะให้มันออกจากทุกทุกที่มากดูใหลดทุกเป็นเรื่องของการลดทุกลดทุกก็คือต้องลดกิเลสต้องลดกิเลสลงไปแล้วความทุกข์ก็ลดลงไปมันก็เรียงังเึินไปอีกสายหนึ่งนั่นเป็นเป็นเป็นส่งสารวัตรเป็นสวรรค์สามสิบกว่าชั้นยังไม่เรื่อยๆถามว่าเป็นไงมั้งเ่ยก็ที่จริงก็คือเป็นอัศาธาเพิ่มขึ้น แต่ที่จริงแล้วเราจะเห็นว่าที่เป็นอาทีตนวะนี่น้อยลงนะเป็นทุกข์เี่น้อยลงเพราะว่าภพชาติเด็กประนี้ขึ้นไปในความทุกข์กิ่งน ốt ยิงลดลงไปเมื่อเทียบกับข้างล่างเที่ยบกับความทุกข์ระดับล่างเนี่ยมันจะลดลงไปแต่มันจะเทียบกับความสุขในนิพพานนะฮะเทียบกับความสายเขาด้วยกันเนี่ยสายสายเดียวกันนั้นจะมีความทุกข์ลดลงแต่ว่ากิเลสท่านก็นลดลงความสุขกองท่านก็เพิ่มขึ้น ทีนี้ในส่วนของอาทีนวะตเราจะเห็นว่าถ้าดับถินทำจัญญาจะพูดถึงโทษโทษของนายท ước ของสุราโทษของอบบายะมกโทษของงานที่อผู้ผู้ที่โทษที่โทษถึงไม่ได้โทษถึงโน่นนะไม่โทษถึงการยึดมั่นถือมั่นอะนั้นมันมากไปคนไม่เข้าใจเราทําไม่ได้เอาตรงนี้ก่อนเห็นไหมจะจะพูดถึงอาทีนวัตเหมือนกันแต่พูดอีกเรื่องหนึ่งสําหรับคนอยู่ดีมีสุข เป็นระดับก็เรียกว่าทิฏฐธรรมิกะตะประโยชน์คือมนุษย์สมบัติให้ได้ความสุขในชีวิตของมนุษย์สวรรค์สมบัติก็มีอาศาาัศทะมีอาศาาัศทะมีควา ม, มยินดีในระดับของสวรรค์เทียบกับมนุษย์ไม่ได้หรอกมันก็ดีกว่ามนุษย์แต่ขนานเดียวกันก็เทียบนิพพานไม่ได้เทีบพรหมไม่ได้พระพรหมมันดีกว่านิพพานมันดีกว่าทีนี้ถ้าว่าสนาบา ร, รมีโยมคนยังไปไม่ได้ พระเจ้าก็เน้นตัวเนี้ยทำสวรรค์ให้มั่นคงเห็นไหมท้าสากะเทวราชท้าสากะเทวราชที่จริงท่านท่านหมดอายุนะฮะตอนพระเจ้าสัตรุ้ยใหม่ท่านก็หมดอายุพอดีกลัวตายกลัวตายหมอกฟ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เทศเพื่อเสริมสวรรค์สิแค่เสริมสวรรค์เท่านั้นเองนะไม่ไม่ไม่เ ไ, ไ, ไปนิพพมรรคผลนิพพานได้หรอท่านฟังแล้วท่านบรรลุโสดานะฮะ มันลุกเป็นโซดาทีนี้ก็มั่นคงแน่นอนทั้งตายตรงนั้นเองะจุติปั๊บตรงนั้นก็ปฏิสนธิปั๊บตรงนั้นแต่ทีเหมือนกันก็กลายเป็นพระตะกะองค์ใหม่ตวนท่านตะกะเทวราชจึงนับถือพระพุทธเจ้ามากเพราะจริงเหมือนกับพ่อให้ชีวิตเนนะฮะท่านตายแล้วหมดอายุพอดีเลยพระเจ้าสัตรุษใหม่ตอนนั้นประทับอยู่ที่อินทรสารเสารโกหาอยู่ที่กรุงราชาคฤห์นั่นแหละพระเจ้าสัรุษใหม่ไม่นานท่านหมดอายุ ซึ่งต้องจุติแล้วก็กลัวตายว่าข้าวผู้เจ้าผู้เจ้าเทศไม่ได้ไปสูงไม่ได้ไปสูงอะไรแต่ว่าเทศเพื่อเสริมสวรรค์เสริมสวรรค์นี่เกิดเกิดมั่นคงถามอัสาท่าไม่มก็อาสาทาคือยินดีอทีนาวะไม่ไดะเทียบนิพพานก็เป็นโทษนะแต่เทียบสวรรค์ก็เทียบ ก, บกับมนุษย์มันก็ดีกว่าก็แสดงว่าทุกจุดนี่มันมีของมันทั้งหมดหมายความมาในส่วนชื่นชมยินดีก็มี ในส่วนที่เป็นโทษก็มีทีนี้การชี้โทษมันก็ชี้ระดับที่มีปัญหาแก่เขาได้ก่อนงั้นไม่ไม่ใช่วันนิ่งๆจะไปพืดนิพานว่าจะอย่างนั้นนะนะก็ายเกันไปเรื่อยๆให้ลองสังเกตถ้าเราเกาะกลุ่มถ้าเราเกาะกกลุ่มแล้วเราจะเห็นว่าที่ทรงแสดงนี่คือหนึ่งที่เป็นอัศะาาคือชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีอะไรเช่นพ่อแม่ลูกทาหน้าที่ของตัวเองดี วันนี้เป็นวันแม่เห้นว่าพ่อแม่ลูกในทำหน้าที่กันตัวดีมันมันก็คือคือคืออัตตาธาคือชื่นชมคือครอบครัวอบอุ่นครอบครัวอุ่นมีความสุขมีความดูแลเอื้อทอนห่วงใหญ่กันก็เป็นอัตตาธาแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดูที่อาชินาวะดูโทษได้เห็นด้วยโทษเห็นด้วยเช่นว่า ในการครองชีวิตทำไมจึงรายได้จึงมีปัญหาเรื่องรายได้ทำไมจึงมีปัญหาที่ขัดแย้งกันนะมันก็ต้องพยายามแยกตัวโทษออกไปแล้วก็จะตัวโทษออกไปเหมือนเหมือนช่างทองไล่สนิมทองเพื่อต้องเอาเอ า, เอาเนื้อทองที่บริสุทธิ์ที่มาหลอ่อหล อ, หลอมาใช้ประโยชน์ครอบครัวสามีปัญญานนในส่วนที่เป็นอสาทยินดีก็มีแต่ในส่วนที่เป็นอาทินา้าคือเป็นโทษก็มี ทำยังไงล่ะให้เกิดครองเรือนคลองสุก็ต้องมองส่วนที่เป็นโทษได้ออกแล้วก็ช่วยกันแก้ไขตัวที่เป็นโทษเพื่ออะไรเพื่อออกจากปัญหาเหล่านั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ในครอบครัวนั่นแหละไม่ได้ไปนิพพานหรอกเอาตรงนี้ก่อนจะตากันไปเรื่อยเพราะงั้นธรรมะมุขเจ้าจึงหลากหลายมากหลากหลายเราจะเห็นว่าเป็นภาพที่คล้ายๆกับเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดชุดเดอแต่เมื่อเราเอาตรงนี้มาจับแล้วมันก็มีทั้งสามอย่าง มีทั้งส่วนที่ชื่นชมยินดีในส่วนที่เป็นโทษแล้วส่วนที่เป็นทางออกเรื่องทางออกนั้นเป็นเรื่องสําคัญว่าปัญหาต่างๆต้องมีทางออกของมันจะทํำยังไงว่าลมมองในปัญหาเรื่องทางออกได้อย่างเนี้ยอย่างอย่างตัวอย่างในเขาทะเลาะเรื่องสะพา น, นเนี่ยนะแอามายังไม่ได้สนใจแต่ามาจับป้าประม า, มาเกิดนั่งผ่านตรงนั้นอยู่ทาไมเราไปคิดแต่งนั้นว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นสัญญาตั้งแต่นานแล้วนะ แล้วปัญหาสําคัญเราได้สะพานใหม่สองสะพานเราได้สะพานใหม่เพิ่มเป็นสองสะพานสะพานนี้ใช้มาตั้งนา น, นจะพังนะแล้วเราก็สร้างให้ใหม่รัฐมต้องจ่ายสักบาทเดียวทําไมก็ไปคิดตรงนี้เราบอกข้ามเปนขั้วหนึ่งมันข้ามทางรถไฟได้ด้วยเห็นไหมการจราจร อ, อีกด้านนี้จะไม่ติดการจราจร อ, อีกด้านในรืษะสะพานมันก็มีทางถานนสองสายคือคือคือถนนที่ติดพื้นดินกับสะพานสะพานลอยเราได้ถนนเพิ่มขึ้นอีก เสาสายหนึ่งนะฮะเพิ่มสะพานกันอีกสายหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ต้องติดรถไฟนะแก้ปัญห า, าจราจรได้เยอะมาอย่างนี้นคนไทยน้่งเป็นยังไงได้ฟรีๆนะเนี่ยไม่ได้จ่ายสตะตงังตะบาทตังนะบริษัทก็สร้างให้ทำ ไ, ไมมีการก่อกวนแล้วคนระดับภูมิปัญญานักศึกษานักศึกษาแต่นั้นนี่คือทางออกสมัครปัญหานี้ทางออกตัวนี้เป็นดีที่สุดแล้ว ทุนเงินเป็นหลายหลายร้อยล้านนะี่ยนะสะพานสะพานลอยขนานดะนี้สองสะพานเนี่หลายร้อยล้านเนี่ยนะกี่ล้านเราก็ก็ไม่รู้แต่มันยาวอ่ะนะมันครอมสะพานครอมครอมทางรถไฟนะอย่าลืมว่าทางรถไฟตัวนี้มันวิ่งผ่านเกือบสองร้อยสองร้อยขบวนคิดเลยว่าต้องรอหนึ่งขบวนต่อสองนาทีคิดดูวัว น, นกี่นาทีเสียน้ํามันไปเท่าไรเสียอะไรแต่มันมันได้มากกว่าเสียนี่คือทางออก ใมที่จริงมันมีทางออกแต่เราก็ไม่มองในแง่ทางออกเรามองตัวอัาทะคือความสะดวกสบายตรงนี้แต่มันจะเป็นความทุกข์ที่อยู่ข้างหน้ารออยู่ข้างหน้าปัญหาเราแก้ไม่ตกตรงนี้มันจะลดอะไรลงไปได้เยอะอามาอย่างนี้ไปทำใหมนะ่นานมันคนนี่มันเป็นยังไงไปเรื่องมันมาตั้งหกเจ็ดปีแล้วนะเรื่องนี้มันแถวสามสิบสองสามสิบสามนะฮะก็ทำสัญญา ก, กันตั้งนานมาแล้ว แล้วทำไมมันนึกนึกมันอะไรกัมามันรู้บุ่นวายกันไปหมดแองเพราะฉนั้นเราต้องมองตัวตัวตัวได้ตัวเสียพูดง่ายว่าตัวได้ตัวเสียเทียบระหว่างตัวได้กับตัวเสียว่าในจริงๆเนี่ยเรามองที่เสียเนี่ยน้อยกว่าได้เท่านั้นเองมันไม่มีอะไรได้โดยไม่ต้องเสียการที่เราสามารถหายใจเข้าได้เนี่ยเพราะเราต้องเสียลมหายใจออกไปนะมันชดเชยกันอยู่ตลอดระยะเวลาเนี่ย ถ้าคุณจะเอาเฉพาะลมหายใจข้าวคุณก็ตายแล้วมันมีมีแหละคนเป็นอ่ะคนเป็นมันต้องได้ทั้งทั้งได้ทั้งเสียตลอดทุกเรื่องมันต้องมีได้มีเสียตลอดนี่คือชีวิตจริงๆเราจะต้องมองอย่างนั้นโดยเฉพาะยิ่งยิ่งคือทางออกนิสัยหน้าที่เราแปลว่าทางออกมันต้องมองทางออกให้ได้ทางออกไปจากกินเลยทางออกไปจากทุกทางออกไปจากปัญหาทางออกจากความขัดแย้งไม่ต้องหาทางออกให้ได้แล้วทางออกมีอยู่แล้ว นะมีอยู่ทั้งหมดทุกจุดพระพุทธเจ้าทรงแสดงทางออกไว้ทุกจุดแล้วก็ส่งชี้ทั้งส่วนที่เป็นคุณไม่ได้ปฏิเสธทุกโครมลงไปไม่ใช่ทุนิย ม, มนะไม่ใช่มองโลกในแง่ร้ายอย่าทุนิยมส่วนที่เป็นคุณก็เป็นคุณนะร่างกายเราเปล่งปังมีน้ํามีนวลสุขภาพพารานายไม้ดีมีจิตใจแจม่มใสเบิกบานนี่เรื่องมันก็เป็นคุณนะ่ะคุณก็ไม่ได้ว่าอะไรอะแต่ปัญหาจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่า ชีวิตเราได้เป็นสุขอย่างนั้นได้สักกี่เท่าไรเราจะเพลิดเพลินบันเทิงอยู่ในในแต่ละวัดเนี่ยถ้าถ้าจะเรียงชั่วโมง เ, เราจะใจนในชาว่วไรส่วนปัญหานี่มีเยอะไปเยอะนะลองลองตรวจสอบดูก็ได้นะวันหนึ่งตื่นขึ้นมาในมันมีปัญหาอะไรบ้างมีความทุกข์อะไรบ้างแต่บางอย่างก็ชิน ช, นชินไปนะฮะบางอย่างก็ชินชินไปอย่างที่สันทเดางั้งว่าหนาวร้อนหิวกระหายปวดรุ่ยระลัปวดปัปะสสาวะง่วงนอนแก่เจ็บตายอ่าสิบอย่าง อยู่กันมาจนชินแต่นั้นที่จริงคืออาธีนะวะคือโทษเป็นโทษเป็นโทษของชีวิตที่มันสืบเนื่องมาจากการใม้ชีวิตแต่ในแนวที่ลึกซึ้งเนี่ยตัวอาธีนะวะนั้นคือมองขันในแง่ที่เป็นสภาวะธรรมเ อ, เอาจริงๆนะนะเอาจริงๆเลยเป็นระดับเป็นการพูดระดับของวิปัสสนาอย่างอื่นก็จริงเหมือนกันนะแต่พูดระดับศีลธรรม จะพูดอีกระดับหนึ่งเนี่ยก็คือมองในแนวของอะไรล่ะถ้าเรียกง่ายๆนะท่านจะเห็นอีกอีกทีหนึ่งมาเรียงง่ายๆว่าคืออาทินวะนั้นก็คือก็คือโลกแล้วก็ไม่ใช่อศาศทะคือความยินดีนคือโลกทำไมโลกมันเกิดความยินดีก็ตรงกับพาสิทธิสงสดง งแสดงเก่สหายของนางมีสาขาที่เพลิดเพินสนุกสนานรื่ดเริงมาฟังเทศพกเหลา้ามาดื่มด้วยนะดื่มไปดื่มมาชักเมาชักจะรวนเรขก้นมารู้แต่เจ้า ก, ก็ทรงบันดาลในพุท ธ, ธานาุภาไปตรงนั้นมันมืดสะดุ้งตกใจกลัวกลัวเสร็จแล้วก็ตรงบันดาลให้เกิดเป็นแสงสว่างเป็นจัาันนางสีพุ่งมาจากพระองค์แล้วก็รับสัง่งรับสั่งไปเราะมากกันตรงนี้ เธอตั้งหลายจมวัเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรอยู่กันอีกแล้วในเมื่อโลกสานิวัตนี้ลุกโพร่อยู่ตลอดระยะเวลาเธอที่ถูกความมืดทุ่มบอกเอาไว้ทำไมจึงไม่แสวงหาไปที่เป็นเรื่องสองทางชีวิตนะใช้ความมืดธรรมชาติก็ช่วยด้วยนะนะแล้วก็เอาแสงสว่างแสงสว่างเข้ามาช่วยด้วยเป็นอุปกรณ์ในการสอนพื้สตำหนักตัวนี้แ่ๆขัดแย้งเห็นหฮะ เมื่อโลกนี้มันลุกโผล่อยู่ตลอดเวลาแต่เธอถูกความมืดบเอ๊ะแสงสว่างมันน่าจะสว่างไฟมัน น, นน่าจะสว่างทำไมมันมืดไฟนี้คือไฟกิเลสนะไฟคือราคไฟโทสะไฟโมหะมันเผาอยู่ตลอดระยะละเราก็อยู่ในทํากลางวงล้อมของความมืดด้วยอวิชชาดลวยโมหะที่มาหลงเพลิดเพลินสนุกสนานอย่างนี้เพราะฉั้นมันต้องหาสัพพีสัพพีในที่นี้เรากิดธรรมะ เป็นปัญญาโลกระสมิปัญโชตัวปัญญาเป็นแสงสว่าเป็นวรตถีพเป็นวัตถีสองโลกเพราะการการการมองถึงสภาพชีวิตในแนวพื้นพื้นท่านหลายหลายลองลองสังเกตว่าแนววิปัสสนาตรงนี้ที่จึงทงวางว่าอย่างที่เราสวดเนะี่ยจาราธมโมบิจะรังอันในตัวเรื่องใหญ่นะสี่เรื่องเนี้ยปัญหาวาสวดมานานแล้วยอมรับหรือเปล่าเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดารุงพ้นความแก่ไปได้พอแก่ห ง, งุดหงิดลำคาหรือเปล่า ต้วิ่งยอมผมว่าดูตลุดหรือเปล่าโอ้ยมัง ป, ปัญหาเยอะเลยต้องดึงต้องถึงต้องทําช่วยกันมี่ก็แสดงว่าไม่ยอมรับอ่ะไม่ยอมรับความจริงเสวนเนีน่เห็นไหมปัญหาสี่เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญที่ตรงสอนในคิดว่าจริ ง, จ ร, ง, จ, รงจริงนี่ก็คือคือมองให้เห็นโทษของชีวิตชีวิตที่เราเรียกอัศรธาเห็นวนะ่าที่เราชื่นชมยินดีที่จริงชีวิตของเธอเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องรั่รราๆนะมันไม่มีอัศรธาจริงเท่าไหร่หรอก ไม่มีหน่าชื่นชมยิงดีอะไรแล้วก็ให้มองตรงนี้แต่การมองที่มันเห็นจริงๆคือเห็นอัตตาจริงๆจะไม่เดือดร้อนเพราะเรื่องเหล่นี้จะไม่เดือดร้อนเพราะความแก่ของเราหรือความแก่ของบุคคลอื่นแก่ก็แก่นะจะทำยังไงว่าจะแก่ที่มันเพิ่มขึ้นมันก่อนไปพูดกับผู้ใหญ่อีกหนึ่งเป็นสมเด็จนะเดี๋ยวคุณกัน คุณกันตั้งแต่ท่านยังไม่เป็นต้นเด็ดแลถามวานี่ผู้ใหญ่ในธรรมะกิเลสมันเยอะขึ้นนะทำไมมันคี้โกรธมากขึ้นคี้โลภมากขึ้ไมมันเป็นอย่างนั้นเน่ะมันน่าจะกิเลสมันลดลงนะท่านบอกว่ามันมันมันเป็นอย่างนี้นะเจ้าคุณนะว่าคนโอาใจมากไปเยอะยุ่งไม่ให้ตายอะไรไม่ใ้ตอมแตะต้องอะไรไม่ได้เลยนะมีแต่คนโอาใจมีแต่คนครับผมครับผมครับผมนี่มันไม่ผิดเลยไม่มีใครขัดคอเลย เพราะนั้นเลยเปราะบางภูมิด้านฐานโรคมันตำ่ำภูมมด้านฐานโรคตำ่ำเกอเป็นเอชไปอ่ะ <c oughs> ขีดเส้นตายไม่เกินเจ็ดปี <c oughs> อันนี้ฟังๆัตรงนี้เราเราจะเห็นได้ว่ามันกลายเป็นแก่หมดเลยเห็นไหมที่จริงพระพุทธเจ้าท่านสอนเจ้าเยร่างกายแก่แก่ก็แก่แต่ว่าจิตต้ตองแก่ทานแก่ศีลแก่ภาวนา เห็มันเป็นคุณภาพเป็นค่าเป็นค่าร่างกายมันมันยังไงมันก็ไม่มีค่าอยู่แล้วเราอาศัยมันเท่านั้นเองเป็นเรือเป็นรถเป็นอะไรแต่อะไรเนี้ยต้องต้องเรียกเรือเรียกว่านาวาชีวิตเรียกว่ารถเรียกว่าสรีรถยนต์เป็นเรื่องอาศัยเท่านั้นก็ส่งสอนให้มองให้เห็นโทษในตรงนี้แล้วไม่จําเป็นจะต้องไปปนเปื้อนอะไรเป็นห่วงใยอะไรมันแตกแน่ละมันตายแน่เลย ทำยังไงว่าก่อนที่เรือมันจะแตกเรือมันจะล่มเรีบหาประโยชน์จากมันเพราะนั้นบางบางทีทรงใช้คําในรูปที่เรียกว่าว่ายน้ําข้างฝ้านะเรือมันจะจมเรือมันจะจมรีเบ้งเอาไฟมันกำลังไม้บ้านเห็นไหมร่างกายเนี่ยไฟกำลังไม้บ้านนั่นก็คืออุปมาิร่างกายที่แก่ที่เจ็บที่ตายที่พลาดพลาดรีบเบ้งเอาของออกมาจากบ้านได้ บ้านกำลังถูกไฟไหม้เรือกำลังจะจมรีบออกของออกมาจากเครือให้ได้ก็หาทางออกแต่หมายความว่าจริงๆเราก็อาศัยเขานะฮะอาศัยเขาอาศัยพวกกรมคุณทั้งหลายท่านทั้งหลายจะเห็นว่ากรามคุณคืออารมณ์วิปัสสนานะฮะอารมณ์วิปัสสนานี่คือกามคุณที่สรุปรวมเป็นนามรูปเราพิจารณาอะไรพิจารณากายนะพิจารณากาย พิจารณาเวทน า, นาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเห็นว่ากายก็สังไปว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลโดยตนเราเขาเรียกากายใจนวัตนาอันนี้คืออะไรคือกรรมคุณกรรมมคุณนะ่ะคือครูในส่วนอัจฉระคือส่วนน่าเย็นดีก็คือน่าเย็นดีแต่เรามองให้เห็นเขาววด้วยว่าเขาต้องแก่ต้องเกลียต้องตายต้องพ ล, ลาดพลาดต้องสูญเสียนั้นนั่ น, น, นเกลียวพื้น น, น, นั่นนะฮะจนถึงก็มองเข้าแต่ลักแล้วก็อาศัยอยู่ในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน่ะแม้ความมั่นใจอะไร ร่างกายเราเป็นของไม่เที่ยงเพราะงั้นการอาศัยร่างกายอยู่มันก็ไม่ให้ความหวังอะไรก็ทำยังไงว่าในขณะที่ความเพียรพยายามของเราจะมีอยู่เราก็ใช้อาศัยร่างกายนี้ให้เป็นทางออกแล้วก็ทางออกไปจากกิเลสทางออกไปากทุกเรื่อยๆนะฮะเราจะเห็นว่าออกจากมนุษย์ไปสู่มนุษย์ที่ประณีตกว่ากเรียงเป็นชั้นๆออกจาก มนุษย์ไปสู่สวรรค์ก็สวรรค์ก็เรียงขึ้นไปเรื่ๆก็ออกไปเรื่อยๆแล้วจากสวรรค์ก็ไปพรมก็เรียงขึ้นไปเรื่อย ى, จนถึงนิพพานไปเรืยก็เรียกว่ามีทางออกหมายความทางออกที่แน่นอนที่สุดคือปัญญาเพิ่มขึ้นกิเลสนั้นจะลดลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็ออกทางที่เป็นสวัสดีแก่ตัวเองขึ้นไปโดยลำดับนะเราจะจะเห็นว่ามันก็เรียงขึ้นไปเป็นรูปเป็นชั้นๆแล้วก็เป็นกลุ่มๆเป็นเรื่องของมนุษสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติ ทั้งหมดนั้นมีอยู่ในชีวิตเรานะฮะอาสาทะก็อยู่ในตัวเราอาทินวะก็อยู่ในตัวเรานิสณะก็อยู่ในตัวเราตัรมไปตามาก็อยู่ที่ใจเราอยู่ที่ใจเราเป็นหลักสำคัญหมายความว่าทุกสมุทัยในโลกมากก็อยู่ที่ใจเราตรงนี้ไท้ลองสังเกตว่าอาสาทะก็คือทุกนะอาสาทะคือชื่นชมยินดีคือกลุ่มมรกิสัต แล้วทีนว่าก็คือมองเห็นโทษของทุกข์กษัตริย์ของทุกนะฮะของทุกที่เรายึดมั่นถึอมัน่นนิสานะก็คือมรรคกษัตริ์กับนิโรธกษัตร์ก็คือกล า, า, ายเป็นอารยศรีพูดไปพูดมาก็มาอยู่ที่อ า, ยารยัรีอีกเช่นเดียวนะสําหรับวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ในเวลาพังธนิพนธ์ที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามไปปูในธรรมจะมีท่านสระชาชนทั้งหลายท่กการทุกท่านทูน